ปีใหม่ขึ้นมาปีแต่ละปีละปีนี้ตื่นเต้นกันคุณเราตื่นได้ ก, กันไหมสับควรที่จะพากันตื่นจากความชั่วทำความดีนั่นดีกว่ามันตื่นกันไปโดยชินเหล้าเมายาเฮากระสนุฆ่าฟันตีกันด้วยประการต่าง มันเป็นทายาทให้เสือ่อมแก่เหตุให้เจ็บปวดาาทุกอย่างนั้นไม่ดีเลยบุญปีใหม่เกิดขึ้นมาทันปีใหม่เกิดแต่ละปีละปีนี่บุญดีบุ ญ, บบญบายเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองการทำความสงบอบลมจิตใจ มันจะเป็นไปแบบความเยือกเย็นเป็นสุขไม่เอาปีใหม่เกิดมาปีหนึ่งปีหนึ่งเลยครบรอบ12เดือนแกไปเฉพาะเอาแตนะ่ปีใหม่เดือนมกราธันวาเนี่ยปีใหม่ มันก็ไม่มีอะไรหรากปีใหม่ก็ดีก็มีมืดกับค่ำเท่านั้นเนี่ยมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างเลื่อยไปอยู่นั้นไม่มีปีใหม่ปีเก่าอะไรหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งมืดไปแล้วก็สว่างขึ้นมาเรี๋ยวก็วันใหม่ วันนี้มันก็มืดไปแล้วมันชวนหมดวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาสว่างขึ้นมาก็เป็นวันใหม่แต่เท่านั้นเนี่ยหลายวันก็เป็นเดือนหลายเดือนก็เป็นปีจะไปท้าบไปตื่นอะไรกันใครเข้ามาขอพรปีใหม่เอาพอนไหนมหาให้ให้อายุ ใคาจะให้กันอายุกันใคาจะให้กันมันตายทัฏวันไม่ใช่หรือทำไมจะอายุให้กันได้ในวันหน้ามันก็ยิวพันวันหน้ามันก็เศร้าหมองทัฏวันแก่วัฏวันมันก็หมดไปหมดไปไม่ใช่หรือให้ความสุขสุขอะไรใครก็ทุกคนนั่นแหละผู้ให้ก็ทุกเหมือนกัน แล้วูรัปตก็ทุกข์เหมือนกันไม่เห็นมีได้อะไรขึ้นมาให้พบพระสมบัติพระสถานเราไม่ทํามันจะได้หรือแต่นอนนนท่านอวยชัยให้พรให้โชคให้ลาบมันจะได้ที่ไหนในเกียรติยศชื่อเสียงเราไม่ทำดีมันจะได้มาจากไหนชื่อเสียง ไม่เห็นมีของใดขึ้นมาเลยก็เท่าเก่านะท่านให้เพื่อไว้ใช้ความพอดีใจเหมือนกักเด็กๆนี่แหละแล้วขนมลอให้หายน้องให้กินขนมแล้วก็น้องให้ไหมแต่เท่าเก่านะั่นแหละในทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่า ไม่มีปีใหม่ไม่มีปีเก่าไ ม, ม่วันใหม่ไ ม, ม่วันเก่าทำของพระพุทธเจ้าที่เป็นของเที่ยงของกรมคือปัจจุบันอันนี้เป็นของเที่ยงแท้เป็นของแน่นอนอดีตก็จะไปคิดถึงมัน คิดถึงมันทำไมมันร่วงเลยไปแล้วเอาคืนมันก็ไม่ได้อนาคตมันก็ยังไม่บรรลุรางวัลพรุ่งนี้แหละจะแยกไปทําอะไรให้แกเราได้อนาคตคิดนึกส่งไปมันก็คิดไปเฉยเฉยเมอดีมันร่วงไปแล้วก็คิดไปเฉยเฉยเดคิดไปเฉย ท่านให้ลงปัจจุบั น, นธรรมทัานตาทัยปสัสจติจงดูสิงที่มันเป็นปัจจุบันนั่นเองจะเป็นธรรมอดีตก็เป็นโลกปคิดไปเฉยๆด้๋ยคิดไปเฉยท่านให้ลงปัจจุบั น, นธรรมทัานตาทัยปัสจติ จงดูจริงที่มันเป็นปัจจุบันนั่นเองจะเป็นธรรมอดีตก็เป็นโลกอนาคตก็เป็นโลกเรื่องโลกทั้งนั้นโลกมันไม่มีสงบโล ก, กมันมันจะยุ่งลงปัจจุบันเน่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะ่นเป็นธรรม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 เห็นสิ่งปัจจุบันนั่นแหละเป็นธรรมหาธรรมหาที่ไหนตัวลงปัจจุบันนี่ที่หาธรรมหาที่เห็นธรรมก็เห็นปัจจุบันนั่นสิทวาทัานบรรลุมรรคผลนายก็ลงปัจจุบันนั่นแหละ